ท่านฟังที่เคารพคะ่ะเรามาเริ่มต้นสัปดาห์กันด้วยการปฏิบัติธรรมผ่า น, นกันไปเรียบร้อยแล้วกับท่านมาร์คหรือว่าพระมาชาควาโรแห่งวัดนาป่าคงลำลูกกาคลองสิบนะคะซึ่งท่านเองนั้นจะมาพบกับท่านทั้งหลายเนี่ยทั่นจันทร์ถึงวันศุกร์คือในรายการนี้ถ้ามาทุกคนก็ต้องบันจันถึงวันศุกร์แต่บางท่านก็อาจจะมีโอกาสพิเศษทางสื่อเหมือนกันอย่างเช่นท่านไพ บ, บูล ซึ่งเรากําลังจะได้พบต่อไปนี้เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาถ้าใครฟังวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเวลาเดียวกั น, นก็จะต่อเนื่องกันเลยนะคะเราไปกราบนมัสการค่ะท่านเป็นพระสงฆ์จากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีค่ะกราบนมัสการนะท่านคะเชิญพานอขอภัยค่ะท่านเพิ่งเสร็จคอร์สใช่ไหมคะเนี่ยใช่การหลกเล่นปฏิบัติซึ่งเดือนนี้ท่านต้องเหนื่อยมากเพราะว่าติดกันสามคอร์ส เ, เรื่องเหนื่อยเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาคุณโยมติวเราทำอะไรมันก็มีเหนื่อยบ้างเมื่อยบ้างแล้วก็ออโตแนล<ะ>แต่ว่าสิ่งที่ เ, เกิดขึ้นดีมากๆเลยนี่คือการที่เราได้หลีกเรนอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็มีผลต่อเนื่องนะทำให้<ะ>จิตของเราเนี่ยคือคนที่มาปฏิบัติเนี่ยคงจะทราบอยู่คือว่ามีความลึกซึ้งนุ่มนวลนลงไปมากยิ่งขึ้น<ะ> อ, อย่างธรรมะที่เราฟังทุกวันทุกวันนี่อย่างคุณโยมติ๋วก็จัดรายการกับอมตะมาหลายปีแล้วนะสองปีแล้วนะ ใช่ป่ะทีนี้พอเราไปมีโอกาสปฏิบัติเนี่ยแล้วถ้าเราวางสิ่งที่เรารู้รู้มาซะ ก, ก่อนเนี่ยนะเราไปนั่งสมาธิแล้วก็ปฏิบัติตามคําที่เจ้าสอนที่เราเรียนมาเนี่ยไอ้ที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยคุณโยมดิมันจะไหลรวมกันพุ่งวับวับวับวับเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะคือนี่จะเป็นเขววาเรียกว่าเหมือนอาการเรารู้ได้เฉพะตนนะนะอก็เป็นสิ่งที <c oughs> ่ <c oughs> <c oughs> ต้องลองถึงจะรู้นะคะ <c oughs> ฟังเล่าคงจะไม่ทราบแต่ทีฉันจ ะ, จะต้องจะองขอพูดเกี่ยวกับเรื่อ ง, องการหลีกเลี่นนี้นิดหนึ่งว่าถ้าผู้ฟังบางท่านที่อาจจะมีความต้องการว่าเออเ อ, อจะมาลองปฏิบัติดูอย่างเงี้ยนะก็ต้องบอกสักนิดหนึ่งว่าคือเราถ้าเราจะมาเราก็มาให้อย่างเต็มที่มาปฏิบัติจริงๆค่ะคือคือถ้าจะมาแล้วมันก็จะไม่เหมือนโรงแรมห้าดาว หรือว่าจะไม่เหมือนกับการไปเที่ยวพักผ่อนชายทะเละไปต่างอากาศจะไม่เหมือนกันนะนั่นเราจะไปหาความสุขทางกายแต่ว่าการมาลีกเล่ปฏิปธรรมเนีรามาความสุขทางใจเพราะนั้นมันก็จะต้องมีกฎระเบียบอะไรบ้างที่อาจจะเหมือนกับรถขมของยาตอนแรกๆแรกที่สคุณจะต้องฝืนบ้างแหล ะ, ะอย่างเช่นเราก็จะมีกฎการหลีกเล่นมีให้อยู่ในฐานะคนเดียวถ้าใครไม่อยากนอนคนเดียวก็ก็จะไม่ได้นะ เพราะฉะนั้นก็ต้องมีกฎระเบียบที่เหมือนกับรสขมของยาตอนแรกๆที่เมื่อเรากินครับเรามันก็จะคลายโรคครอะไรบ้างนะคะแต่การที่ตั้งใจมาก่อนเนี่ยในชันว่าจะดีมากใช่เตรียมตัวมาซะแล้วก็ตั้งรับไม่ไหวก็เลยท้อใจอคิดว่ากลับดีกว่าแต่ถ้าตั้งใจมาก่อนเนี่ยก็จะพอรู้นะคะว่าต้องเจออะไรบ้างนะ ใช่คะ่ะคือดิฉันขอเสรมนิดนึงเลยว่ายุคนี้มันเป็นยุคแห่งการที่คนเนี่ยติดโทรศัพท์กันเยอะโดยเฉพาะคนในเมืองหลวงใช่ไม่ว่าเด็กเล็กผู้ใหญ่เขาก็จะนิยมเล่นสื่อเขาเรียกว่าเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กกันผ่านทางโทรศัพท์เนี่ยนะคะดย๋ยเนี้ยคนเราเวลาไปกับคนหนึ่งนั่งอยู่ด้วยกันเฉพาะหน้าแต่คุยกับคนอื่นๆที่อยู่ไกลๆผ่านทางออนไลน์ทีนี้ขอให้รู้เลยว่าเวลาไปหลี เ, น, เนี่ย นั่นคือการงดพูดงดพูดนี่ไม่ได้หมายความว่างดจิ้นด้วยไม่ไม่งดจิ้นจิ้นนี่ก็ถือว่าพูดใช่ไหมคะใช่ ค, <ะ S 1> ค่ะเพราะฉนั้นเนี่ยคมีหลายกรณีที่ว่าเขาเขาฝืนคือฝากโทรศัพท์เครื่องแรกใช่ไหมโทรศัพท์เครื่องที่สองที่สามไม่ฝากอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเป็นโทษกับการปฏิบัติของเขาเองนะที<ม>่ฉันที่เจอกับตัวท่านคะสามารถที่จะเล่าให้ฟังแบบเปิดเผยนะคะว่าบางทีเราก็มีความ ร, รู้สึกว่าเออเราแน่ S <S เราสามารถที่จะควบคุมจิตได้ควบคุมได้ค่ะไม่เป็นไรแอบไม่ยอมปิดโท ร, รศัพท์ไม่ยอมให้โท ร, รศัพท์แล้วก็พอถึงเวลาพักนะคะเอาสักหน่อยหนึ่งเอ๊มีใครโทรมาหาเราบ้างเพราะว่าตัวเราก็คิดว่าส่วนใหญ่เราไม่ได้คุยจเจ้าแจเป็นเรื่องงานใช่ไหยคะแต่ปรากฏว่าการไปหลีกเล่นในครั้งนู้นไม่ได้ไปที่วัดปา่าดอนไฮโซนะคะ <S <S ดิฉันเละเทะมากเลยค่ะคือมันฟุ้งมาก แล้วก็ไม่สามารถจัดการกับจิตได้ง่ายๆเลยแทบจะไม่ได้อะไรเลยใช้คํานี้เลยนะครับเือจะมาเสียเวลาเปล่าๆเลยล่ ะ, ะเพราะนั้นก็อย่างที่คุณโยมติว่าเราต้องเตรียมใจมาบ้างนะ<ช>เตรียมตัวว่าเราจะมาเจออะไรนะะแล้วก็เตรียมการมาถึงจะดีมากอย่างไรก็ตามนะคะการที่เราทําอะไรที่มันแตกต่างแล้วก็เข้าอยู่ในกรอบของการเป็นผู้หลีเกเล่นเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับ มหาศาลนะคะโอ้น่ยนอนอย่างน้อยเรื่องไม่พูดเนี่ยค่ะเวลาดิฉันเอ่ยปากับใครว่าเนี่ยนะพอไปถึงปุ๊บอย่างแรกที่ทำก็คือจะต้องมอบโทรศัพท์และกระซับสมบัติทั้งหลายให้กับผู้ช่วยงานทำใช่ไหมคะก็จะมีคนตกอกตกใจเรื่องโทรศัพท์เนี่ยพราะดูเหมือนกับว่าเขามีความรู้สึกมันเป็นอวัยวะชิ้นหนึ่งของเขาไปแสลงแล้วพอบอกว่าไม่พูดอย่างนี้นะคะทุกคน จะอึดอัดที่ฉันบอกว่าลองไม่พูดดูสิแล้วจะรู้ว่าชีวิตนี่มันมีความสุขจริงๆเพราะว่าคนที่อยู่ร่วมกับเราคือไม่ได้หมายความว่ามีคนรอบข้างอยากพูดกับเราใช่ไหมคะใช่อย่างถ้าสมมุติเรางดพูดอยู่โลกภายนอกมันลําบากค่ะท่านคะนนนนมันจะต้องเครียดมากเพราะว่าครั้งหนึ่งนี่ก็มีประสบการณ์ของตัวเองเหมือนกันคือมีปัญหาเรื่องการใช้เสียงแล้คุณหมอก็เลยบอกว่าขอห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้พูดกับใครเลยแม้แต่คําเดียวสักเจ็วันสิบห้าวันเนี่ย ตอนนั้นมันแหบมากเสียงถ้าจะหายไปใช่ไหมคะโูเราอยู่ท่ามกลางคนไม่มากนะคะอแต่เราพยายามที่จะส่งภาษากับเขาเนี่ยสื่อสารกับเขาเนี่ยแอบพูดกระซิบบ้างอะไรบ้างมันยิ่งเละเทะทําให้อาการหนักไปใหญ่<อ>เป็นต้นไม่พูดเลยเนะะี่ยค่ะใครไม่เคยทําลองทําดูแต่ต้องลองไปทําในสถานที่หลีเกเร้นเนี่ยเล่นจะยืนยันว่าท่านคงจะตอบเหมือนกับที่ทีฉันคิดคือเออมันคล้ายๆกับ อยู่ในสวรรคไกลๆนั้นมันสนุกใช่คือคือถ้าจำไม่ได้เราอมน้ําดูอมน้ําไม่เหมือนกันไม่เหมือนจริงๆเพราะว่าเอสบตายังห้ามสบตายแบบสื่อสัญญาณเลยนะคะใช่ใช่ใช่เวลาเดินสวนกันนี่ต้องหลบตากันเพราะว่ากลัวเดี๋ยวจิตส่งออกค่ะคือสมัยเนี้ยมันจะไปหาป่าที่มองไปข้างหน้าก็ไม่เห็นใครซ้ายขวาหน้าหลังไม่มีใครเนี่ยคือถึงแม้เราจะพูดกับใครก็ไม่มีมีแต่ต้นไม้อย่างเงี้ย มันมันหาไม่มีหรือว่ามีก็เขาก็ไม่ให้เราไปทําอย่างนั้นใช่ไหมเราก็จึงต้องมีการจําลองที่ียว่ากฎการหลีกเล้นคือถ้าไม่มีพระเจ้ามาเป็นผู้นํำนะคุณโยมติว๋วเราก็จะทํายากแล้วเราก็จะไม่รู้แนวทางแต่นี่พระเจ้าทําเป็นตัวอย่างค่ะเพราะฉะ น, น, นั้นก็เท่ากับว่าประเด็นที่ท่านไปบูญจะพูดถึงเรื่องของการหลีกเล่นของคนที่สนใจเนี่ยบางคนไม่ได้เตรียมไปแล้วไม่ได้ผลขอให้เตรียมตัวเตรียมใจไปให้ดีว่ามีกรอบกติกา ที่เราควรจะต้องรักษาเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองนะคะใช่ค่ะแล้วมา<ป>ถึงตอนค่ะก็เลยจะพูดถึงรเรื่องของการผู้ดชนตีตรงนี้ที่เราบอกว่าพระเจ้าเนี่ยทําพระองค์เป็นตัวอย่างในเรื่องของการหลีกเร้นเนี่ยคือบางทีหายไปนะคุณโยมติวสามวันบ้างแค่วันเดียวพระองค์ก็ทํามนะคือตอนเช้ากิชันเข้าเสร็จปุ๊บหลีกเร้นเลยจนกระทั่งถึงตอนเย็นทุ่มหนึ่งประมาณนี้ยามแรกราตรีออกมาแสดงธรรมกลางวันไม่พบใครก็มี บันดีก็ทำอย่างงั้นวันนี้ฉันจะหีกเล้ น, น, นวางทีสามวันเจ็ดวันเดือนหนึ่งสามเดือนก็มีเป็นเป็นข้อปฏิบัติที่ทํามากจนจนกระทั่งพวกปริปาชกเนี่ยคือคนที่เขายังไม่นับถือเต็มที่เนี่ยเขาก็สงสัยวเอ๊ะสมณโคดมนี่เป็นพระพุทธเจ้าจริงไหมพระนะพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าเออที่เราทําเนี่ยเพื่อว่าความสุขในปัจจุบันนะคือจะไปห้อง น, าน้าจะไปอะไรมันก็สะดวกตามใจเรานะไม่ต้องมาคอยต้อนรับใครแล้วก็ เพื่อเป็นตัวอย่างกับภิกษุรุ่นหลังรุ่นหลังอืซึ่งในแบบนี้เราก็มาทําเป็นทําตามพระพุทธเจ้าเป็นข้อไว้ของพระองค์อย่างเงี้ยค่ะพระพุทธองค์ทํามามากใช่แล้วก็หาโอกาสทําอยู่เสมอถูกไหมคะถ้าตามที่ท่านพยบูลพูด ก, ก็เท่ากับว่าถ้าเราต้องการที่จะแสวงหาโมฆะธรรมหรือว่าทําให้การหลุดพ้นอย่างพระพุทธองค์ก็ลองหาโอกาสบ้างท่านคะสมมุติไม่ได้ไปไหนเนี่ยอยู่บ้านเราหลีกเร่นได้ไหมคะ อ, อ๋อแต่ถ้าคุณทําได้ก็ก็สามารถเป็นการดีอ่าคือว่าอย่างคืออยู่บ้านเราเนี่ยนะบางทีมีคนมาหานะอยถ้วก็รู้จักบ้านเราอ่าหรือว่าเป็นสถานที่เราไม่ต้องมีการดูแลมากอย่างนี้ก็สามารถทําได้ค่ะคือเหมือนกับว่าบางคนอาจจะยังไม่มีโอกาสไปสักทีแิฉันว่าวันไหนฉวยโอกาสคนในบ้านไม่มีอืมก็ลองดูนะคะอยู่กับตัวเองเนี่ยไม่เปิดทีวีปิดโทรศัพท์ ด, ด้วยหวปได้ก็ท่านคะ ทีวีก็ไม่ได้อ่าไม่เปิดวิทยุโทรทัศน์เนืงสืบพิมพ์อ่านได้ไหมคะไม่ควร <laughs> ไม่ได้ <laughs> เขียนหนังสือก็ไม่ได้ไม่มีอะไรเลยคุณโยมติ๋วนะค ะ, ะเข้ากับว่าถ้าจะให้คําจํากัดความเนี่ยการหลีกเล่นหมายถึงคือกา ร, การที่แบบไปอยู่คนเดียวคือเหมือนไปอยู่ป่าคนเดียวไม่มีมีแค่บริการที่แบบง่ายๆสะดวกสะดวกแปดอย่างสําหรับพระไม่มีสมุดจดแน่นอนอย่างเงี้ยนะคะ่ะก็แค่นั้นเลยแบบ ง่ายที่สุดพื้นฐานที่สุดว่าไงคะคือคือถ้าฝึกแบบเรื่องที่ไม่ต้องสื่อสารกับใครก่อนเนี่ยก็ปิดทุกช่องทางอย่างที่บอกเนี่ยก็ถือว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไประ ด, ดับ<ต>หนึ่งแล้ ว, ลวอ่าใช่นะคะค่ะนอกเหนือจากนั้นในส่วนของพุทธชียนตีมีอะไรอีกไหมคะก็มีเท่านี้แหละเรื่องการหลีกเรี่ยงของพระเจ้าทําบ่อยมากเป็นตัวอย่างเมื่ออาทิตย์ที่ฉันได้มีโอกาสไปธุระแถวๆมวกเหล็กแล้วก็ไปเจอสุภาพสตรีท่านหนึ่งก็มากับคณะในแพทย์ที่ ถอยการรักษาเจ้านายพระองค์หนึ่งนะคะพอเจอหน้าดิฉันปุ๊บก็บอกโอ้ยฟังรายการดิฉันมีรายการดีมากก็ดีใจนะคะยังบอกว่าขออนุญาตไปกลับเรียนพระอาจารย์หน่อยนะค่ะก็ดีใจที่มีผู้ฟังมาสะท้อนให้ฟังว่าฟังรายการเอาแค่ฟังรายการก็ชื่นใจแล้วนะคะอันนี้ก็สาธุด้วยคือการฟังทำตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งแต่ทีนี้ว่ากําลังใจของตัวตัวอาตมาเองนะคุณหยงติว กำลังใจของเราเองเนี่ยมาจากพระผู้มีพระภาคค่ะคือแปลว่าเรามีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งเป็นที่ตั้งฐานใช่ไหมเพราะมะนันพระเจ้าสอนอะไรในแม่เรามีความเข้าใจในหมวดธรรมข้อนี้เมากขึ้นเรามีกําลังใจในการที่จะจัดรายการต่อไปค่ะนะแล้วก็มีการที่มีฟีดแบ็กข้อตอบสนองจากท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นข้อมูลให้ทางสถานีทางคุณยมติวได้นํามาปรับปรุงรายการต่างๆให้ดีขึ้นนี่เป็นการดีที่เรารับฟังข้อมูลนะนะค่ะ แล้ ว, ว่าสําหรับท่านไพล์บูลซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธองค์นะคะท่านก็บอกว่ากําลังใจอยู่ที่คําสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะเอามาเราจะบอกว่าถึงแม้ไม่มีคนฟังเราก็ยังจัดอยู่ว่างั้นไดแต่ดิฉันเองอาจจะยังไปไม่ถึงไหนเท่าท่านอาจารย์นะคะก็ตั้งใจงตั้งแต่วันแรกที่จัดรายการว่าคนฟังคนหนึ่งหรือสองคนดิฉันก็จะจัดก็ตาว่างั้นแต่ก็ตอนนี้ก็อดไม่ได้ที่จะเขาเรียกว่าอะไรคะ ที่ดิฉันมีปฏิกิริยากับผู้ฟังเวลาชื่นชมรายการทุกครั้งยังต้องกำจัดกิเลสแบบนี้อยู่มั้งคะก็ก็ขอให้เป็นกิเลส ท, ที่มีกำลังใจที่จะให้ธรรมะท่านไปก่อนแล้วกันการนี้ก็จะพยายามว่าไม่ติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนะคะก็เป็นอันว่ารับรู้แล้วก็ มาเล่าให้ฟังว่าท่านะมีเพื่อนฟังรายการไม่ได้ฟังอยู่โดดเดี่ยวแล้วเราก็มีผู้ฟังรายการไม่ได้พูดอยู่โดดเดียวเหมือนกันอท่านคะทีนี้ยังเหลือเวลาไม่เท่าไหร่เนี่ยดิฉันขอถามสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของอจิตอาสาซึ่งเป็นค่านิยมปัจจุบันสักนิดได้ไหมคะมที่ว่าเขาจะส่งเสริมว่าคนพันใหม่เนี่ยควรจะเป็นคนที่ไม่นิ่งดูดายกับความทุกข์ความเดือดร้อน ของคนอื่น ม, ม, มีจิตอาสาจิตอาสาเนี่ยสอดคล้องกับพุทธวจนะใดหรือไม่<อ>แล้วก็เป็นคุณธรรมที่ดีอย่างไรหรือเปล่าค่ะจิตอาสานี่ถ้าไปเสิรชาดูในโปรแกรมที่เราใช้อยู่เป็นมาตรฐานเนี่ยก็จะจะไม่มีคํานี้ค่ะนะจะมีคือจะมีหลายๆคุณธรรมสมมุติถ้าเราไปเจาะดูคนว่าที่มีจิตอาสาเนี่ยเขาพูดถึงคุณธรรมอะไรหนาหนึ่งเขาก็จะพูดถึงความเสียสล ะ, อ, ะอันนี้พระเจ้าเคยพูดถึง ในการสละออกการนําออกการให้ทานอะไรพวกนี้เป็นการเสียสละหมดหนาสองการช่วยเหลือผู้อื่นนะมีความกรุณามีความเอ็นดูในหมู่สัตว์ตั้งหลายอันนี้มีในความไม่ตากรุณามีนะสามคุณต้องมีความอดทนด้วยนะบางทีมไม่ได้ไปสบายในจิตศาสาเนี่ยก็ต้องไปลำบากกันคุณต้องมีความอดทนนะคุณจะต้องมีความไม่เบียดเบียนนะแล้วก็มีความไม่เบียดเบียนมีความเอื้อเฟื้อเอื้อคุณเพื่อมนุษย์นะแล้วก็มีใจเรื่องการให้การให้ทานบริจาคพวกนี้เป็นคุณธรรมที่ต้องมีในเรื่องของจิตอาสาค่ะ ทีนี้ว่าคนรุ่นใหม่ที่เขาพูดกันนะว่าคนรุ่นใหม่ต้องมีจิตอาสาเนี่นะคือเราจมามองประเด็นนี้ว่าคนที่ไม่มีอาสาเนี่นะมันเกิดจากปัญหาอะไรคุณยมติวคือปัญหาที่เขาเพลินไปในกามเพินเพลินไปในกามคุณทั้ง5้าแต่้าคุณเพลินไปในกามคุณ5เช่นอะไรโทษสมือถือหรือเกมกดคอมพิวเตอร์หรือว่าอาหารข้ามหรูๆแล้วคุณก็ใช้เงินใช้เวลาไปในสิ่งเหล่านั้นเนี่ย คุณก็ไม่มีเวลาไปคิดเรื่องอื่นที่จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นใช่ไหมถูกดึงถูกยั่วยวนไปโดยสิ่งที่เป็นกรรมคุณทั้งห้านะถ้าเราตัดตรงนี้ได้อย่างเดียวเนี่ยนะคุณยมเต๋วแม้เราจะมีเวลามากขึ้นตันดีเยอะด้วยค่ะแต่นี่เป็นการยกตัวอย่างเฉยๆเพราะว่าบางคนเน้นนะคะท่านพบูุนโดยฉัน เ, เข้าใจว่าการที่เขาใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยบางทีก็อาจจะคุยลอ้อคุยเล่นคุยอะไรกันนะคะแต่มันจะมีบางจังหวะค่ะสมมุติว่าน้ำท่วมอ้าววันนี้จะไปช่วยคนนี้ อก็เฮลโลตอบออืว่าชั้นไปชั้นไปชั้นไปอะไรก็ ก, ก็มีนะคะมีก็เป็นอันนี้ก็เป็นส่วนที่ดีนะค่ะก็ถ้าจะขมวดก่อนที่จะจบรายการที่ท่านบอกว่าคุณธรรมของพวกจิตอาสาเนี่ยมีหลายประการเหลือเกินถูกไหมคะใช่ประการที่หนึ่งคือเรื่องของการเสียสละซึ่งถือว่าเป็นการให้ทานอย่างหนึ่งใช่การให้ทานแล้วก็มีเมตตากรุณาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของพวมวิหารสใช่ไหมคะใช่ถูกต้อง มีความอดทนมีความไม่เบียดเบียนมีความเอื้อเฟือ้อรวมกันแล้วนี้เนี่ยเป็นคุณธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดํารงชีวิตของเราเห็นชัดๆเลยอันนี้เป็ น, เ ป, นเป็นมร์เลยละ่ะเป็นมร์หนทางอ๋อเหรอคะอ ต, รตรงไหนบ้างคะที่เป็นมร์โอ้ก็แต่ละอันละอันนี่ก็สมมติดอดทนก็อยู่ในเรื่องของสมาวายมะด้วยในสมามาสมาธิด้วยเอเมตตาก็อยู่ในเรื่องของสมาธิติด้วยอย่างเงี้ยนะ ก็คือจะแบ่งๆกันไปอยู่อยู่หลายๆหมวดมเพราะนั้นมันเป็นเป็นมาร์กแน่น อ, นอนอันนี้นะคือถ้าเราถ้าเราไปด้วยจิตอาสาจริงๆนะไม่ใช่แบบไปโชว์ออฟไปอย่างนี้ก็จะไม่ใช่นะก็ออย่างน้อยนะคะสมมติถ้าตั้งใจไปโชว์ออฟค่ท่านค่ะสมมติตั้งใจจะไปแบบว่าทำเพื่อเป็นค่านิย ม, มเขากำลังชื่นชมเราก็รู้สึกมันเป็นแฟชัน่นนะค ก็จะได้มิจฉามัคส่วนหนึ่งได้สัมมามัคส่วนหนึ่งนีมิฉามัค ก, ก็คือคุณเดินไปผิดทางแล้วคุณทําพวกนี้เพื่อหวังหน้าหวังตาอันนี้ไม่ถูกทางแต่ถ้าคุณทําถูกน่ยมันก็จะคือไม่ใช่ว่าร้อยซที่เราทํามันจะไม่ถูกใช่ไหมเราก็มีส่วนถูกส่วนถูกคุณก็เดินตามมัคดีหน่อยส่วนไม่ถูกคุณก็เป๋ไปบ้างถ้าจะวิเคราะห์ไปเนี่ยฟังดูในคุณธรรมที่ซ่อนอยู่แล้วก็พฤติกรรมของจิตอาสาก็ดูเหมือนก็นว่าคําว่าจิตอาสาเท่านั้นเองที่ใหม่ แต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ใหม่มีมานานแล้วใช่ใช่ะะใช่ถูกต้องการทำทำนี่เป็นสิ่งดีอ่มาเห็นด้วยนะถ้ามีจิตอาส า, าไปทํากันในดีแน่นอนนะคะแล้วก็ยังจะมีผลส่งมาในทางที่จเจริญในธรรมใช่ถ้าทํามากๆจะเอื้อเฟื้อต่อการที่จะบรรลุธรรมด้วยไหยคะเป็นนิสัยปัจจัยที่จะฝึกให้เราเป็นคนมีคุณธรรมต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะั้นเรื่องคุณธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแบบว่าโอ้โหธรรมะจ๋า บาฉันพยายามที่จะเหมือนกับเวล้คุยกับเพื่อนในไลน์ในอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะใส่สิ่งเหล่านี้ไปที่ฉันจะรู้ว่าบางทีเขาแข็งตัวแล้วขาคุยคุยกันอยู่ <c oughs> เราก็เอ๊ะเราผิดกาลเทศะหรือเปล่า <c oughs> ไม่ได้ว่าเขานะคะแต่กํำลังจะมีความรู้สึกว่าอคุณบางคนอาจจะมองหรือที่ฉันอาจจะไม่เป็นก็ได้นะคะคือแทนที่จะพูดอด้วยด้วยภาษาเดียวกับเขาแต่เป็นเรื่องคุณธรรมเข้าไปอันนั้นจะดีกว่า เพราะว่ามันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเราควรจะเปลี่ยนวิธีการสนทนาอันนี้ถ้ามีประเด็นที่จะพูดคิดว่าเรามาคุยกันต่อได้พรุ่งนี้เรื่องของการทวนกระแสตรงนี้ะ <c oughs> นะคะถ้าอาจารย์ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ก็คิดว่าท่านฟังได้ประโยชน์กันพอสมควรทีเดียวท่านฟังที่ครบที่เราติดตามรับฟังรายการนี้กันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับในส่วนของทุกท่านเลยนะคะแต่ว่าของพระอาจารย์ไพบูลเนี่ยกราบมิสการลาตอนนี้ก่อนคะ่ะยินดาด กันฟอนคาและสําหรับรายการของเรานะคะส่วนที่แจกหนังสือพุททวจนะกันอยู่ที่ฉันเพิ่งไปที่วัดนา ป, ป่าพงค์มาก็ได้ไปขอหนังสื อ, อเล่มใหม่ล่าสุดนี่มาแจากให้กับท่านนะคะ mm. ก็ยังอยู่ในชุดพุดททวจนะนั่นแหละค่ะอยู่ในสิเล่มเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่ามีการพิมพ์ออกมาใหม่ท่านก็ขอเข้ามาที่0 2 2ย์สองสใครที่ได้ไปแล้วก็เผื่อแพร่ให้กับคนที่ยังไม่ได้บ้างกันแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ กับคนที่เขาจะได้ไปมากๆเลยแล้วตัวของเราที่เปิดโอกาสให้คนอื่นเขาได้เนี่ยก็จะพลอยได้กุศลไปด้วยวันนี้ฉันสีนาพงลาทุกท่านไปก่อนนะคะพุทธสวัสดีค่ะท่าน